พอวกลงไปหยดพวกจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดาแต่ถ้าเวกลงไปแล้วจิตนิ่งกดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวดาถ้าหากกำหนดจิตโดลมหายใจ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 จิตกับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับปิญญาณวิญญาณหมายถึงวิญญาจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกโกรนึกโกรู้คิดโก ร, ร้อนโกรเย็นโกรหนาวอันนี้เรียกว่าจิต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 อันนี้จิตอยู่ในสม า, าจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อะไรอันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ละเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมาก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 ยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอริยาบทเราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทั้งนั้นถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิแพทย์ตือแบบพระพุทธเจ้านังเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนีจํานานยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิ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 แต่เมื่อทําหนักๆเข้าแล้วพอกําหนดจิตพับลงไปนึกผู้โธพุ้โธพุ้โตจิตมันสงบพลดไปเลยไม่สามารถที่จะกําหนดวิตกวิจารณปีจิตสุขเอกข้าตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชํนานาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าเทวนาเมื่อก่อนนี้ทําไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาะ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 ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วที่นี่มันจิตมันไม่ว่าพุทโธแต่มันมีอาการเคลิ้มเคลิ้มสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เผลอสติไม่นึกพุทโธแล้วก็ไปกลับนึกพุทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆอันนี้สังเกตได้ดีถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็จิตมันไม่ว่าพุทโธมันจะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยๆอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่สงบละเอียดก็ตาม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 ถ้ากว่ามันเฉยว่างอยู่ยงั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนี้นทีนี้ทาไปลานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง